ธรรมเทศนาของพระสุทธิธรรมรังสีคัมภีระเมธาจารย์ท่านพ่อลีธรรมธโรวัดอโศการาม25สิงหาคม2500เรื่องอิทธิบาทสี่ คนที่ตั้งใจไว้ว่าจะทำอะไรอย่างหนึ่งแต่กลับไปทำเสียอีกอย่างหนึ่งผลที่จะได้จากการกระทำนั้นนั้นย่อมไม่มีนี่จัดว่าเป็นคนโง่ามากเป็นคนอากตันอยู่ต่อตัวเองและทรยศต่อตนเองตัวอย่างเช่นเด็กที่ลาพ่อแม่ว่าจะไปโรงเรียนแต่กลับไปเที่ยวดูละครดูหนังเสียกับเพื่อนพ่อแม่ก็ไม่รู้ คิดว่าลูกไปโรงเรียนกว่าจะสืบสวนได้ความจริงก็เสียเวลาไปหลายวันเช่นนี้ย่อมทําให้เกิดโทษแก่ตนเองถึงสี่ประการประการที่หนึ่งบาปที่หลอกพ่อแม่ประการที่สองทำให้พ่อแม่เสียทรัพย์สินเงินทองที่ให้ไปเล่าเรียนประการที่สมตนเองจะต้องเป็นคนโง่ไม่รู้วิชาประการที่สความตาย ก็จะมาถึงทุกวันทุกวันตัวเองก็แก่ไปทุกทีจนเป็นพ่อเป็นแม่คนหนังสือสามตัวก็อ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ชั้นใดก็ดีพุทธบริษัทที่ไม่มีความตั้งใจจริงต่อการปฏิบัติมานั่งอบรมสมาธิภาวนาแต่ใจไม่อยู่กับตัวไปเที่ยวคิดถึงเรื่องราวต่างๆที่ไม่เกี่ยวกับธรรมะเช่นคิดถึงบ้านคิดถึงเรือนคิดถึงลูก คิดถึงหลานคิดถึงคนนั้นคิดถึงคนนี้คิดข้างหน้าคิดข้างหลังบ้างจิตใจไม่ได้ตั้งอยู่ในความสงบนั่งหลับตาอยู่แต่ใจก็หนีไปเที่ยวกับสัญญาอารมณ์ต่างๆบางทีพบหมาก็ไปเล่นกับหมากับแมวเสียบ้างเช่นนี้ก็ย่อมจัดเป็นโทษอย่างเดียวกันประการที่หนึ่งบาปที่หลอกครูบาอาจารย์ว่าจะมานั่งสมาธิแต่ก็หาได้ทำจริงไม่ ประการที่สองทำให้ครูอาจารย์เข้าใจผิดหลงนั่งเทศนาสั่งสอนจนน้ำลายแห้งแทบหมดปากแต่ก็ไม่ได้ผลอะไรเลยประการที่สามตนเองก็จะต้องกลายเป็นคนโง่เขลามานั่งสมาธิตั้งสามปีก็ยังไม่ได้อะไรใครมาถามก็ไม่ได้เรื่องได้ความทำให้เสียชื่อเสียงถึงครูบาอาจารย์ด้วยประการที่สี่เมื่อความตายมาถึง ก็ต้องตายไปกับความทุกข์ยากลำบากไม่มีสมบัติคือบุญกุศลติดตัวไปชาติหน้าดังนี้ก็จะต้องเวียนว่ายตายเกิดอยู่นั่นเองไม่รู้กี่ชาติกี่ภพทำเท่าไหร่ก็ไม่อาจถึงพระนิพพานได้ทั้งนี้ก็เพราะเกิดจากความไม่ตั้งใจทำจริงถ้าผู้ใดมาตั้งใจปฏิบัติธรรมกันจริงๆแล้วทำอย่างไรเสียก็จะต้องได้รับผลมากหรือน้อย ก็สุดแต่กำลังเท่าที่ตนจะทำได้ 2. จะนั่งสมาธิก็จงตั้งใจอยู่กับสมาธิจะมาฟังเทศก็จงตั้งใจอยู่กับฟังเทศจะพูดก็ให้ตั้งใจอยู่กับพูดจะทำสิ่งใดก็ให้ตั้งใจอยู่กับสิ่งนั้นทำอย่างนี้จึงจะได้รับผลจากการกระทำที่ตนปรารถนา3การตั้งใจประกอบด้วยอิทธิบาทสี่คือ 1. ฉันทะมีความรักใคร่พอใจในกิจการนั้นนั้นเช่นมานั่งสมาธิก็ตั้งใจมีสติกำหนดอยู่กับลมหายใจ 2. วิริยะมีความภาคเปลี่ยนไม่ย่อท้อ ถ, ถึงร่างกายจะปวดเมื่อยก็ทนได้ 3. จิตตะตั้งใจจริงๆอย่าทำเล่นอย่าเอาใจไปเที่ยวคิดอะไรอื่น 4. วิมังสา เมื่อทำจริงแล้วก็จะมองเห็นความสุขสงบในจิตใจและร่างกายถ้าองค์ภาวนาของผู้ใดประกอบด้วยอิทธิบาทสี่พร้อมบริบูรณ์ดังนี้ก็เปรียบเหมือนกับผู้นั้นนั่งอยู่บนโต๊ะที่มีขาครบสี่ขาไม่ต้องกลัวว่ามันจะเอียงหรือจะล้มปิดกับที่เราจะนั่งอยู่บนโต๊ะที่มีขาเดียวหรือสองขาเพราะมันไม่มีความมั่นคงพอถ้าใครเขาเฉียดเข้ามาใกล้นิดเดียว เราก็อาจแต่แข่งหรือนอนหงายเลยก็ได้แต่ถ้าเรานั่งอยู่บนโต๊ะตีขาแล้วถึงใครจะมาโดนหรือจับโยกหรือทำอะไรอะไรให้เราก็ไม่ต้องหวั่นไหวไม่ต้องกลัวพลัดตกหรือใครจะมาจับยกไปวางที่ไหนไหนเราก็ยังนั่งอยู่ได้อย่างสบายไม่ต้องกลัวอันตรายใดๆทั้งสิน้นนี้ก็เปรียบเหมือนผู้ปฏิบัติที่ทำจิตของตนได้แก่กล้ามั่นคงจนเต็มเหนียวแน่น อยู่ด้วยบุญกุศลแล้วจะนั่งนอนอย่างใดก็เป็นสุขจะอยู่วัดหรืออยู่บ้านก็อยู่ได้อย่างสบายจะกินหรือไม่กินก็สบายจะมีงานมากหรืองานน้อยก็สบายจะมีเงินตั้งสิบล้านโกขหรือไม่มีสักแดงเดียวก็สบายเหมือนกันหมดเมื่อความตายมาถึงก็นอนตายอย่างสบายไม่เหี่ยวแห้งทุกยากลาบากเลยใครทาได้ดังนี้เทวดา ท่านรู้เห็นก็โมทนาตบมือยินดีถ้าทำไม่ได้เทวดาก็หน้าม้อยพวกพญามารก็พากันตบมือหัวเราะชอบใจว่ามันชนะลูกศิษย์พระพุทธเจ้าเราจะยอมตัวเป็นลูกศิษย์พญามารหรือไม่ก็คิดดูสเราจะต้องขัดตัวของเราให้เป็นคนดีงามด้วยบุญกุศลกล่าวคือขัดกายวาจาใจของเราด้วยศีลสมาธิปัญญา ผู้ใดได้ฝึกหัดอบรมจิตอยู่ในสมาธิภาวนาจนมีกำลังแก่กล้าแล้วจิตของผู้นั้นก็จะมีความสงบเย็นใสสว่างเหมือนกับน้ํานิ่งอยู่ในบ่อลึกหรือดวงดาวที่อยู่บนท้องฟ้านิวรณ์ทั้งหลายไม่สามารถจะมาย่ำยีดวงจิตของผู้นั้นได้ภูมิจิตของเขาก็จะสูงขึ้นสูงขึ้นทุกทีเมื่อสูงแล้วย่อมเกิดความเย็นเหมือนอย่างเรานั่งอยู่นี้ เราจะไม่รู้สึกว่าความเย็นมีมากเท่าไหร่แต่ถ้าเราขึ้นไปบนที่ซึ่งสูงจากพื้นดินสักสองถึงสมกิโลเมตรแล้วเราจะรู้สึกว่าหนาวเย็นขึ้นมาทันทีนอกจากจะได้รับความเย็นแล้วตาของเราก็ยังจะสามารถมองเห็นสิ่งทั้งหลายไปได้ไกลๆอีกมากจะได้มองเห็นสภาพความเป็นอยู่ของมนุษย์และสัตว์ มองเห็นความทุกข์ยากและอันตรายต่างๆของโลกเบื้องล่างทําให้เราเกิดความกลัวภัยเหล่านี้จนไม่อยากกลับลงมาข้างล่างอีกเลยจิตที่สูงขึ้นนี้ไม่ใช่อย่างเครื่องบินหมายถึงภูมิแห่งจิตที่สูงขึ้นด้วยการอบรมสมาธิปัญญาแล้วผู้นั้นก็จะมองเห็นเ ห, นเหตุผลของความเท็จจริงมองเห็นภัยในสังสารวัฏและเกิดการเบื่อหน่ายต่อการเกิดแก่ เพราะมีแต่ความทุกข์เดือดร้อนทั้งสิน้นเมื่อมองเห็นเช่นนี้แล้วก็หมดความยินดีในรูปเสียงกลิ่นรสโปรดทัก พ, พะและธรรมารมตั้งใจบำเพ็ญแต่กุณธรรมความดีอย่างเดียวเพื่อให้จิตหลุดพ้นจากอาสวะกิเลสไม่ต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในโลกอีก อบรมสมาธิวัดอาโศการาม26สิงหาคม2500หนึ่งเวลานั่งเมื่อมีความไม่สบายเกิดขึ้นก็จงตรวจตรองดูว่ามันเกิดจากอะไร อย่าเอาใจไปเป็นทุกข์เดือดร้อนกับอาการเหล่านั้นส่วนใดไม่สามารถเป็นไปได้อย่างที่เรานึกคิดก็อย่าไปกังวลกับมันปล่อยไปเพราะสังขารร่างกายนี้มีสภาพเหมือนกันหมดทุกรูปทุกนามไม่ว่าคนหรือสัตว์คือจะต้องตกอยู่ในการที่ไม่เที่ยงเป็นทุกข์และบังคับบัญชาไม่ได้ฉะนั้นส่วนใดที่สามารถเป็นไปได้ตามคิดนึก เราก็อยู่ในส่วนนั้นและรักษาไว้อย่างนี้เป็นธรรมะวิจยะคือความเลือกสรรในส่วนที่ดีสองร่างกายเรานี้ก็เปรียบเหมือนกับต้นไม้ต้นหนึ่งหนึ่งมันจะมีส่วนดีทุกอย่างไปหมดทั้งต้นย่อมเป็นไปไม่ได้เช่นใบของมันก็จะต้องมีทั้งใบอ่อนใบแก่ใบเขียวใบเหลืองใบสดและใบแห้งส่วนใดที่แห้ง มันก็จะต้องร่วงหล่นไปก่อนส่วนที่ยังสดก็ค่อยๆแห้งตามไปที่หลังกิ่งของมันก็มีทั้งกิ่งใหญ่กิ่งโตและกิ่งเล็กลำต้นของมันก็มีโคนใหญ่เรียวไปหาปลายผลของมันที่เกิดมาก็ไม่เท่ากันฉันใดร่างกายเราก็ย่อมมีสภาพไม่แตกต่างไปจากนี้ความสุขความทุกข์ในตัวก็ย่อมไม่เสมอภาคกันทั้งหมดได้ จะต้องมีทั้งส่วนดีและส่วนเสียปนกันอยู่เช่นบางคราวก็ดีมากบางคราวก็ดีน้อยจะไปถือเอาเป็นของแน่นอนทุกอย่างไม่ได้ส่วนใดดีเราก็รักษาส่วนนั้นไว้และอย่าไปเอาใจใส่กังวลกับส่วนที่เสียซึ่งเหลือความสามารถที่เราจะทำให้ดีได้เหมือนกับบ้านเรือนของเราที่ใดกระดานมันผุพังก็อย่าไปนั่งนอนในที่นั้นที่ใดดี ก็เลือกหาเอาและนั่งนอนในที่นั้นก็แล้วกันใจเราไม่ต้องไปเดือดร้อนวุ่นวายกับสิ่งที่บังคับบัญชาไม่ได้จะเปรียบอีกอย่างหนึ่งร่างกายเราก็เหมือนกับผลมะม่วงถ้าซีกไหนมันเน่าหรือเป็นหนอนเราก็เอามีดฝานทิ้งไปซีกไหนดีเราก็กินซีกนั้นถ้าเราจะไปโง่กินซีกที่เป็นหนอนมันย่อมเกิดโทษแก่ตัวเรานั่นเอง อันนี้ก็เช่นเดียวกันกับร่างกายไม่แต่เฉพาะในส่วนร่างกายอย่างเดียวแม้ใจก็ย่อมไม่เป็นไปอย่างที่เรานึกคิดบางคราวมันก็ดีบางคราวมันก็ไม่ดีฉะนั้นเราจึงจำเป็นจะต้องใช้วิตกวิจารณ์ให้มาก 3. วิตกวิจารณ์นี้เปรียบเหมือนกับเราทำงานอย่างหนึ่งงานนี้ก็คืองานสมาธิคือใจที่ตั้งอยู่ในความสงบ สมาธิกรมรมฐานคือทําใจให้ตั้งมั่นอยู่ในอารมณ์อันใดอันหนึ่งและมีสติสัมปชัญญะเป็นผู้ตรวจตรองคือวิตกวิจารณ์ถ้าวิตกวิจารณ์ของเรามันน้อยผลแห่งความสงบก็มีน้อยหรืองานของเรามันหยาบเราก็ได้ผลหยาบถ้างานของเราละเอียดก็ย่อมได้ผลละเอียดผลหยาบนั้นใช้การอะไรไม่ใครจะได้ดีถ้าผลละเอียดแล้ว คุณภาพมันก็สูงสามารถจะใช้การอะไรอะไรได้ทุกอย่างเปรียบเหมือนกับละอองปรมาณูที่ลอยอยู่ในอากาศย่อมสามารถจะแทรกซึมเข้าไปในภูเขาหรือต้นไม้ก็ได้ของหยาบนั้นคุณภาพต่ำและใช้ก็ยากบางทีเอาไปแช่น้ำทั้งวันก็ยังไม่ค่อยจะเปื่อยส่วนของละเอียดนั้นเพียงถูกละอองน้าหรือความเย็นชื้นเข้านิดเดียวก็ละลาย ชั้นใดก็ดีคุณภาพของงานสมาธิก็เช่นเดียวกันเมื่อวิตกวิจารณ์ของเราเป็นไปโดยละเอียดรอบคอบความสงบของเราซึ่งเป็นผลของงานสมาธิก็ย่อมจะมีมากขึ้นถ้าวิตกวิจารณ์ของเรายากความสงบก็มีน้อยร่างกายก็มักจะปวดเมื่อยใจคอไม่สบายฟุ่งซ่านหงุดหงิดถ้าความสงบมีมากร่างกายก็จะมีความสุขร่มเย็น ใจก็โปร่งโล่งเวทนาก็หายไปธาตุในตัวก็เป็นปกติร้อนก็ไม่ร้อนจัดเย็นก็ไม่เย็นจัดอุ่นก็อุ่นพอดีและถ้างานของเรานี้เสรรจลุร่วงไปเมื่อใดเมื่อนั้นเราก็จะได้ผลเป็นความสุขอย่างยิ่งคือพระนิพพานถ้างานของเรายังไม่เสร็จไม่แล้วใจของเราก็ยังไม่มีสุขเต็มที่ยังจะต้องมีห่วงกังวล ไปไหนก็ไปไม่ได้ตลอดจะต้องกลับมาทํางานนั้นต่อไปอีกจนกว่าจะแล้วเสร็จเหตุนั้นท่านจึงว่าอนากูลาจะกรรมมันตาเอตัมมังคลรมุตตมังแปลความว่าการงานไม่ข้างค้างอากูลย่อมเป็นมงคลอย่างยิ่งถ้างานของเราแล้วเสร็จเรียบร้อยเราจะไปไหนก็ไปได้สะดวกสบายใจก็ไม่ต้องห่วงหน้าห่วงหลัง คนเราที่ทํางานกันไม่เสร็จนั้นก็เพราะ 1. ไม่ตั้งใจ 2. ไม่ทําจริงทิ้งหน้าที่ของตนหยุดทะเลทลายเสียบ้างถ้าเราตั้งใจทํางานกันอย่างจริงจรงจังๆแล้วงานนั้นก็จะต้องสําเร็จโดยไม่ต้องสงสัย 4. เมื่อเรารู้กันอยู่ทุกคนแล้วว่าร่างกายนี้เป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์และบังคับบัญชาไม่ได้ เราก็ควรจะวางใจให้เป็นปกติต่ออาการเหล่านี้คําว่าไม่เที่ยงหมายความว่ามีการเปลี่ยนแปลงส่วนคําว่าทุกนี้ไม่ใช่หมายถึงความไม่สบายอย่างเดียวย่อมหมายถึงความสบายที่เป็นสุขด้วยคือความสุขนั้นก็เป็นของไม่เที่ยงไม่คงที่เหมือนกันสุขน้อยมันอาจเพิ่มให้เป็นสุขมากขึ้นก็ได้หรือสุขแล้วก็อาจจะกลายเป็นทุกข์ ทุกแล้วอาจจะกลับมาเป็นสุขอีกก็ได้ผัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันไปมาคนเราถ้ามีแต่ทุกข์ไปอย่างเดียวทั้งหมดก็ต้องตายกันเท่านั้นเหตุนี้เราจึงไม่ควรเดือดร้อนวิตกกังวลกับเรื่องของมันเลยร่างกายเราก็มีอยู่สองซีกเหมือนผลมะม่วงเมื่อขณะใดเราไปอยู่ในซีกสบายใจของเราก็สงบส่วนความไม่สบายมันก็อยู่อีกซีกหนึ่ง ฉะนั้นถ้าเรามีกรรมฐานแล้วเราก็จะต้องไปอยู่ในสีกที่สบายสีกที่ไม่สบายเราก็ไม่ไปอยู่เหมือนคนที่มีบ้านเรือนอยู่เป็นสุขสบายแล้วจะต้องลงไปนอนใต้ถุนทาไมคนเราไม่ใช่มีแต่ทุกข์ประจำอยู่ที่เดียวบางทีมันก็ปวดหลังบางทีก็ปวดขาบางทีก็เลื่อนจากขาไปปวดเอวบางทีวันนี้เจ็บพอรุ่งขึ้น วันพรุ่งนี้ก็หายหรือบางทีหายแล้วก็กลับมาเจ็บอีกดังนี้ก็มีเพราะเป็นของไม่แน่นอนไม่คงที่ฉะนั้นส่วนใดที่มันไม่ดีจัดให้เป็นส่วนของบาปเสียส่วนใดดีเป็นส่วนของบุญแล้วเราก็ถามตัวเราดูว่าเราอยากมีบาปหรืออยากจะมีบุญเล่าถ้าเราไม่ชอบบาปเราก็วางเสียข้างหนึ่งชอบบุญก็อยู่ในส่วนของความสบายถ้าทําได้ดังนี้ เจ้าตัวทุกมันก็จะหายไปเจ้าตัวบุญก็จะเจริญขึ้นเจริญขึ้นในที่สุดขันห้ามันก็จะเป็นสุขไปหมดคือรูปมันก็สบายเวทนาก็สบายสัญญาก็สบายสังขารก็สบายและวิญญาณก็สบายเมื่อความสบายทั้งห่าอย่างนี้เกิดขึ้นแล้วดวงใจนั้นก็จะนั่งกินแต่บุญนอนกินแต่บุญที่เรียกว่าปีติ หรือปัสสินี่แหละเป็นธรรมวิจยะคือการค้นคว้าหาเมื่อเรารู้จักความเป็นไปในตนของตนเช่นนี้แล้วเราก็จะเพียรอยู่ในความดีหรือบุญเก่าที่เคยมีใจของเราก็จะได้รับแต่ความสุขสบายหรือที่เรียกว่าปีติเมื่อใจของเรามีปีติมากๆขึ้นเราก็จะอิ่มไปหมดเมื่ออิ่มแล้วก็หายหิวหายเหนื่อย หายหนาวหายร้อนจะอยู่ที่ไหนก็สบายเกิดกำลังกายกำลังจิตเข้มแข็งมีอำนาจสามารถจะนั่งอยู่ตั้งห้าชั่วโมงก็ไม่มีอาการปวดเมื่อยเมื่อใจอิ่มอย่างนี้แล้วมันก็นอนหลับแต่ไม่ใช่นอนหลับจริงๆอย่างที่เรานอนหลับตานอนหลับอย่างนี้หมายถึงความสงบคือดวงจิตเข้าไปอยู่ในสมาธิก็มีความสบายไม่มีสิ่งใดมารบกวนนอนสบายอย่างนี้ เรียกว่าวิหารธรรมดวงจิตเข้าไปอยู่ในองค์ฌานก็เปรียบเหมือนเรานั่งอยู่บนที่สว่างย่อมจะมองเห็นอะไรอะไรได้ถนัดชัดเจนทั้งใกล้และไกลถ้าไปนั่งในที่มืดเราก็ไม่สามารถจะมองเห็นอะไรอะไรได้คือใจปกกลุ่มไปด้วยอํานาจของนิวรณ์ถ้าเราอยู่ในที่สว่างพวกนิวรณ์ทั้งหลายก็ไม่สามารถจะเข้ามาเบียดเบียน ย่ำดีดวงจิตของเราได้หลับอย่างนี้เป็นการหลับอย่างลืมตาคือมีความรู้อยู่ทุกขณะลมหายใจความรู้ทั้งภายในและภายนอกมีอยู่เสมอทุกด้านทุก ม, มุมแต่ดวงจิตก็ตั้งเที่ยงสงบอยู่กายก็เงียบจิตก็เงียบเรียกว่ากายปัตสัตติและจิตตปัตสัตติ 6. สมาธิคือจิตที่แน่น อยู่ในอารมณ์เดียวเรียกว่าสมถะจิตที่ไม่ติดต่อกับสิ่งใดมีความสะอาดปราศจากอารมณ์ภายนอกมีสติสัมปชัญญะรู้รอบคอบปลดปล่อยอารมณ์เสียได้เรียกว่าวิปัสสนาเมื่อสมาธิซึ่งประกอบด้วยวิปัสสนาเกิดขึ้นความเป็นใหญ่เป็นอิสระในตัวทั้งห้าอย่างก็จะบังเกิดขึ้นพร้อมกันคือหนึ่งินดริยัง ศรัทธาความเชื่อก็เข้มแข็งมั่นคงใครจะมาพูดดีหรือไม่ดีอย่างไรใจก็ไม่หวั่นไหว 2. อวิริยินดริยังความภาคเพียนกแก่กล้าถึงใครจะมาสอนให้หรือไม่สอนให้ก็ทำไปเรื่อยไม่ท้อถอยหรือหยุดหย่อน 3. ามสตินดริยังสติก็เป็นใหญ่เป็นมหาสติไม่ต้องไปขมไปบังคับ มันก็แผ่จ้ากระจายไปทั่วตัวเหมือนต้นไม้ใหญ่กิ่งก้านใบของมันย่อมจะแผ่สาขาลงมาคลุมลำต้นของมันไว้และพัดกระพือขึ้นเองโดยไม่ต้องมีใครไปจับเขยา่าหรือดึงยอดมันลงมาความรู้ของเราก็จะจ้าไปหมดทั้งยืนเดินนั่งนอนทุกอิริยาบถมันรู้ของมันได้เองโดยไม่ต้องไปนึกความรู้รอบอย่างนี้แหละเรียกว่ามหาสติปัฏฐาน สสมาธินารียังสมาธิของเราก็เป็นใหญ่จะทําอะไรอะไรอยู่ก็ตามจิตก็ไม่มีวอกแวกถึงจะพูดจะคุยกันให้ปากอ้าออกไปตั้งวาใจก็คงที่เป็นปกติอยู่กายมันจะอยากกินอยากนอนอยากนั่งอยากยืนอยากเดินอยากวิ่งอยากนึกอยากคิดอยากพูดอยากทําก็ทําไปช่างมัน หรือว่ากายมันจะเจ็บจะป่วยจะปวดจะเมื่อยที่ตรงไหนก็ให้มันเป็นไปแต่ใจก็ตั้งเที่ยงอยู่ในอารมณ์เดียวไม่วอกแวกไปทางอื่นหปัญญดริยังปัญญาความฉลาดรู้ก็เป็นใหญ่เกิดขึ้นในตนเองอาจสามารถที่จะทำดวงจิตของตนให้บรรลุธรรมสำเร็จมรรคผลเป็นโสดาสกิทาคาอนาคาจนถึงอรหันต์ก็ได้เจ็ 7. คนเหล่านั้นมีแต่อยากตีอยากได้กันแต่ไม่ทราบว่าอันใดเป็นความดีอันใดเป็นกิเลสนั่งทํากันจนตายมันก็ไม่ถึงพระนิพพานสักทีถ้าเรามีความรู้และตั้งใจทํากันจริงๆแล้วมันก็เป็นของไม่ยากเรื่องของพระนิพพานเป็นของง่ายเพราะเป็นสิ่งที่ยืนตัวคงที่อยู่เสมอไม่มีอาการแปรเปลี่ยนส่วนเรื่องของโลกนั่นแหละเป็นของยาก เพราะแปลตัวได้ไม่แน่นอนอะไรวันนี้เป็นอย่างหนึ่งพรุ่งนี้เป็นอีกอย่างหนึ่งทำแล้วก็ต้องเก็บรักษาไว้ให้ดีส่วนนิพพานไม่ต้องมีการเก็บไม่ต้องมีการรักษาทำแล้วก็ละทำแล้วก็ทิ้งทำไปละไปทำไปทิ้งไปเหมือนคนที่กินข้าวพอถึงปากก็ขายปับกินแล้วบ้วนทิ้งเลยไม่ได้กลืนเข้าไปในท้องให้มันเป็นอาหารเก่า ก, ก็ไม่ต้องมีหมายความว่าทำความดีทั้งหลายแล้วไม่ยึดว่าเป็นของตนผู้ที่ทำความดีแล้วก็ขายความดีไม่ยึดความดีว่าเป็นของของตนนั่นแหละเป็นวิราคธรรมโลกนั้นเมื่อทำอะไรแล้วก็ยึดว่าเป็นของตัวและทำแล้วก็ต้องคอยระวังเก็บรักษาเก็บไม่ดีถูกเขาแย่งไปหรือเสื่อมไปก็เสียดายเหมือนกับคนที่กินแล้วกลืน กินแล้วกลืนกลืนเข้าไปแล้วก็ต้องถ่ายออกมาถ่ายแล้วก็หิวอีกหิวอีกก็กินเข้าไปใหม่แล้วก็ถ่ายออกมาอีกไม่มีเวลาอิ่มเวลาพอกันได้สักทีส่วนพระนิพพานนั้นกินไปก็ถายไปทําไปก็ละไปเหมือนกับคนที่เขาไถานาเมื่อไถไปไถไปขี้ไถมันก็จะร่วงหลุดไปตามรอยไถยเองไม่ต้องเก็บใส่ถุงหรือใส่ตะ ก, กระ้า ผูกติดขาควายไปด้วยคนโง่ที่หอบเอาถุงไปคอยเก็บขี้ไถด้วยนั้นควายมันก็หนักเกินไปไม่ใครจะไปบางทีตัวเองก็ไปสะดุดถุงขี้ไถ่เข้าก็หกล้มหกกลิ้งอยู่กลางนานั่นเองนาก็ไถไม่แล้วเข้าเปลือกก็ไม่ได้หวานเข้าสารก็ไม่ได้กินท้องก็หิวแปดนี่แหละการปฏิบัติธรรมของพวกเราก็มักจะพากันเป็นไปเสียเช่นนี้ จะทำอะไรก็ไม่ค่อยจะตั้งใจทำกันจริงๆจะเดินไปก็คอยเหลียวซ้ายแลกวาลืมหน้าลืมหลังเหมือนกับตาแก่กับยายแก่สองผัวเมียวันหนึ่งได้พากันถือมีดเข้าไปในป่าเพื่อจะถางไร่เมื่อฟันต้นไม้ใหญ่ๆหมดแล้วพอไปพบต้นหญ้าเข้าตาแก่ก็เอาผ้าขาม้าที่โพกหัวมารัดตัวคาดไว้ที่เอวแล้วก็เอามีดเน็บหลังไว้ นั่งลงถอนหญ้าครั้นถอนไปถอนไปพอไปพบต่อไม้เข้าก็หันมาหามีดจะไปฟันต่อไม้อีกก็หามีดไม่พบนึกไม่ออกว่าตัวเองไปวางลืมไว้ตรงไหนก็ออกเดินไปเที่ยวตามในป่าสองเที่ยวสามเที่ยวก็หาไม่เจอยายก็ร้องถามว่านั่นแกไปเที่ยวเดินตามหาอะไรตาก็ตอบว่าไปเดินตามหามีดจะเอามาฟันต่อไม้ฝ่ายยาย เห็นมีดเน็บอยู่หลังสามีก็นึกขบขันได้แต่หัวเราะแ ก, ก๊แกล้แกล้อยู่คนเดียวไม่เป็นอันจะพูดว่าอะไรได้จนตาแก่นั้นหมดปัญญาที่จะเที่ยวเดินตามมีดต่อไปอีกแล้วเพราะแดดก็ร้อนเหนื่อยก็เหนื่อยในที่สุดก็เลยซุดตัวลงนั่งบนพื้นดินพอเอิญมีดที่เน็บหลังอยู่นั้นด้ามได้ไปกระแทกกับดินเข้าโดยแรงตาแก่เลยตกใจหันไปดูจึงรู้สึกตัวว่า มีดเนบอยู่ที่ข้างหลังของตนนั่นเองนี้ฉันใดพวกเราที่พากันมาเจริญสมาธิก็มีลักษณะไม่ผิดตะแก่นี้เหตุนั้นท่านจึงสอนให้พวกเราพากันวิตกวิจาร์มันตรวจรองอยู่ในกรรมฐานของตนโดยมีสติสัมปชัญญะคอยกำกับอยู่ทุกลมหายใจเข้าออกเก้าคำภาวนาพุทธโธพุทธโธนี้เป็นพระฉายานามของพระพุทธเจ้า ซึ่งแปลว่าท่านเป็นผู้เบิกบานแล้วหรือเป็นผู้ตื่นแล้วตื่นคนํานี้ตื่นตกใจรู้ตัวขึ้นเหมือนอย่างพระพุทธเจ้าของเราเมื่อก่อนหน้าที่พระองค์จะได้สําเร็จพระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณนั้นพระองค์ก็ได้เสดจจาริไปเที่ยวสแสวงหาคุณธรรมในพระคณาจารย์ต่างๆเป็นเวลาถึงหปีแต่ก็ไม่สําเร็จ จึงได้ทรงหลบดีปลีกพระองค์ไฟประทับอยู่โดยลำพังณภายใต้ต้นสีมหาโพในวันเพ็ญวิสาขามาศโดยทรงตั้งสัจจะอธิษฐานว่าจะไม่ลุกจากที่ตลอดคืนจนกว่าพระองค์จะได้บรรลุธรรมในที่สุดพอถึงปัดชิมมายามพระองค์ก็ได้สำเร็จพระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณด้วยการตั้งสติกาหนดอนนาปานาสติภาวนา ก็ทรงรู้คุณธรรมขึ้นที่ปลายพระนาสิกของพระองค์เองจึงได้เปล่งพระอุทานขึ้นมาว่าพุทโธพุทโธเราเที่ยวสแสวงหาคุณธรรมมานานแล้วเพิ่งมาพบเข้าในขณะที่จิตหยุดพักตั้งอยู่ในฌานอันเป็นบ่อเกิดแห่งวิปัสสนานี้เองสิทธะนิพพานนั้นไม่ได้อยู่ไกลตัวเราเลยอยู่ตรงปลายจมูกหรือริมฝีปากแค่นี้เองแต่เราก็คําหากันไม่พบ เหตุนั้นเมื่อเราหวังจะเอาความบริสุทธิ์กันจริงๆแล้วก็จงอย่าไปเอาอะไรอื่นตั้งหน้าทำแต่ความเพียรไปท่าเดียวอะไรมันจะมาทางไหนก็ไม่เอาทั้งสิ้นสุขก็ไม่เอาทุกข์ก็ไม่เอาดีก็ไม่เอาชั่วก็ไม่เอาความได้ก็ไม่เอาความดีก็ไม่เอามรรคก็ไม่เอาผลก็ไม่เอานิพพานก็ไม่เอาไม่เอาอะไรทั้งหมดและเมื่อเราไม่เอาอะไรแล้วมันจะมีอะไรเล่า มันก็ไม่ต้องมีอะไรนี่แหละนิพพานเราก็จะได้ตรงนี้เองเปรียบเหมือนคนไม่มีเงินนั้นขโมยมันจะเข้ามาปล้นได้อย่างไรคนที่ได้มาก็ยึดถือไว้ถือไว้นั่นแหละจะต้องถูกเขาฆ่าตายโน่นก็จะเอานี่ก็จะเอาออกไว้ออกไว้จนพรุงพะรังไปหมดแล้วจะไปไหนรอดสิบอดคนเราในโลก ก็ย่อมอยู่กับความดีความชั่วสองอย่างนี้แหละผู้ที่มีวิราคธรรมแล้วความดีก็มีอยู่เต็มตัวความชั่วก็รู้อยู่เต็มใจแต่ก็ไม่เอาท่านไม่เก็บเอาดีชั่วมายึดเป็นของตัวของตนปล่อยวางทิ้งหมดท่านจึงเป็นผู้เบาสบายพระนิพพานไม่ใช่ของยากสมัยพุทธกาลนั้นพระบางองค์เดินบินทบาทอยู่ก็ยังสําเร็จเป็นพระอรหันได้บางที นั่งถ่ายปัสสาวะอยู่ก็สำเร็จบางทีเห็นเขาถ่ายนาอยู่ก็ยังสำเร็จก็มีความดีต้องอาศัยความยากลำบากเป็นบาดเบื้องต้นคือให้มีสติสัมปชัญญะวิตกวิจาร์อยู่ในกรรมฐานของตนเสมอๆนั่นแหละความสำเร็จก็จะต้องตามมาในภายหลัง วัดอโศการาม28สิงหาคม 2,500 1. ใจของคนเราปกติ มันนิ่งอยู่ไม่ใคร่ได้คือมักจะชอบคิดนึกไปในสัญญาอารมณ์ต่างๆทั้งดีและไม่ดีเรื่องที่ดีก็เก็บมาคิดเรื่องไม่ดีก็เก็บมาคิดได้ก็เก็บมาคิดไม่ได้ก็เก็บมาคิดนี่แหละดวงจิตมันจนถึงอย่างนี้คิดในส่วนที่ดีที่ชอบก็เป็นกามตัญหาคิดในสิ่งที่เป็นไปได้ก็เป็นภวะตัญหา คิดในสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ก็เป็นวิภาวะตันหาแต่เขาเหล่านั้นก็หารู้สึกตัวไม่นี่เรียกว่าอาวิชชาคือความไม่รู้เพราะความไม่รู้นี่แหละจึงเป็นเหตุให้เกิดความคิดวิตกวิจารไปต่างๆอันเป็นบ่อเกิดแห่งตันหาอุปาทานคือความชอบไม่ชอบและความยึดถือ2เรื่องราวต่างๆที่คนเราคิดกันไปนั้น บางทีก็เป็นไปได้ตามที่คิดบางทีก็เป็นไปไม่ได้เป็นไปได้ถ้าจะคิดไปก็ยังพอมีประโยชน์อยู่บ้างแต่ที่ไม่ได้อะไรเลยก็ยังอุตส่าห์ไปคิดคือเรื่องที่มันเป็นไปไม่ได้แล้วก็ยังไปยึดอยู่ในสิ่งที่ไม่ได้นั้นแล้วก็เกิดความเสียใจน้อยใจเรื่องมันไม่ได้แล้วก็ยังจะให้ได้รับผลอยู่อีกสิ่งใดที่ปรารถนาเมื่อไม่ได้มาสมหวังก็ยึด เมื่อได้มาสมหวังก็ยึดแล้วก็เกิดความชอบไม่ชอบยึดทั้งสัญญาข้างหน้ายึดทั้งสัญญาข้างหลังคนธรรมดาเ่านั้นอะไรได้มาก็ยึดดีใจถ้าไม่ได้มาก็ยึดเสียใจบางทีก็ยึดความดีแต่ยึดความดีก็ยังพอมีหนทางที่จะคลุกคลานไปได้บ้างบางทีชั่วแท้ๆก็ยังไปยึดเข้าไว้นี่แหละพระพุทธเจ้าทรงเห็นเช่นนี้ จึงได้เกิดความสงสารท่านสงสารอะไรสงสารเพราะความโง่เขลาของคนเราที่ไม่รู้จักว่าอะไรมันเป็นความทุกข์รู้ว่ามดแดงนั้นมันกัดคันและทำให้กลายเป็นพิษแต่ก็ยังอุตสาหไปเอารังมดแดงมาเคาะใส่หัวของตัวเองแล้วก็ต้องมานั่งปวดแสบปวดร้อนอยู่มันได้ผลอะไรบ้างสาตาไปเห็นรูป ด, ดีไม่ดีก็เก็บมายึดไว้ หูไปฟังเสียงดีไม่ดีมาก็ยึดไว้จมูกไปได้กลิ่นดีไม่ดีมาก็ยึดไว้ลิ้นได้รับรสดีไม่ดีมาก็ยึดไว้กายได้รับสัมผัสดีไม่ดีมาก็ยึดไว้ใจได้รับอารมณ์ดีไม่ดีมาก็ยึดไว้คราวนี้รูปต่างๆมันก็จะมาห้อยอยู่ที่ตาของเราเสียงต่างๆก็มาห้อย อยู่ที่หูสองข้างกลิ่นต่างๆก็มาห้อยอยู่ที่ปลายจมูกรสต่างๆก็มาห้อยอยู่ที่ปลายลิ้นสัมผัสต่างๆก็มาห้อยอยู่ที่ตัวอารมณ์ต่างๆก็มาห้อยอยู่ที่ใจเกกกรุงรังไปบทคราวนี้รูปมันก็จะต้องมาปิดตาไว้เสียงก็ปิดหูไว้กลิ่นก็มาปิดรูจมูกไว้รสก็มาปิดลิ้นไว้ สัมผัสก็มาปิดตัวไว้ธรรมารมมาปิดใจไว้เมื่อทวารทั้งหกของเราถูกปิดตันไปหมดทุกช่องทุกทางเช่นนี้คนนั้นก็ต้องเป็นผู้มืดคือมืดด้วยอวิชชาคลาหาหนทางไม่พบจะไปทางไหนก็ไปไม่รอดตัวก็หนักใจก็มืดคนนั้นก็ต้องหมดความสุขนอนที่ไหนก็ต้องยกมือก่ายหน้าผากนั่งที่ไหนก็ต้องเอามือกอดเขา หน้าตาก็ดำเกรียมไม่มีสง่าราศีนี่เรียกว่าเบียดเบียนตัวเองฆ่าตัวเองและทำลายตัวเองให้เสื่อมจากความเจริญสสัญญาต่างๆของคนเรานั้นมันเป็นของติดใจยิ่งเป็นเรื่องไม่ดีด้วยแล้วจำก็นานคิดก็มากนี่ก็คือตัวโมหะนี่เองซึ่งเป็นพวกพ้องของตัวอวิชชาฉะนั้น เราจึงควรพากันกำจัดโมหะตัวนี้ให้ออกไปจากใจของเราเสียโดยการฝึกฝนอบรมตนให้มีสติสัมปชัญญะรู้รอบทุกลมหายใจเข้าออกอันนี้แหละจะเป็นบ่อเกิดแห่งวิชาเมื่อวิชาเกิดปัญญาก็จะเกิดขึ้นถ้ายังไม่มีวิชาตันหามันจะออกได้อย่างไรเมื่อมีวิชาเกิดขึ้นแล้วกรารมตันหาภาวะตันหา และวิภาวะตัณหาก็ย่อมดับและอุปาทานก็ไม่มีนี่แหละเป็นทางอริยมรรคหคนเรานั้นมักจะไหลไปในฝ่ายชั่วมากกว่าฝ่ายดีสิ่งที่เป็นความดีนั้นเขาพูดชักโยงให้ฟังตั้งหลายหลายคำก็ยังไม่ค่อยขยือดแต่ส่วนความชั่วเขาพูดเพียงคำสองคำเท่านั้นก็วิ่งแล่นตามไปแล้วเหตุนี้พระพุทธเจ้า ท่านจึงตรัสว่ามนุษย์นั้นโง่ชอบกลืนกินแต่อารมณ์เลวใช่แต่เท่านั้นเรื่องที่ไม่มีความจริงก็ยังกลืนเข้าไปอีกของดีก็ไม่อยากจะสนใจคิดส่วนของไม่ดีอุตสาบไปกระแดวกระแดวเอาใจไปจดไปจําเนื้อก็ไม่ได้กินหนังก็ไม่ได้รองนั่งเอากระดูกมาแขวนคอที่ว่าเนื้อก็ไม่ได้กินนั่นคือเรื่องไม่มีความจริงก็ไปเก็บมาคิด คิดแล้วก็ไม่มีความสุขคนที่อ้าปากขึ้นแล้วก็เอาข้าวหรือขนมป้อนเข้าไปนั้นก็ยังจะทาให้อิ่มท้องได้แต่คนที่ไปยืนอ้าปากปีนเถงเงยเแงแะเหนี่ยวแต่ลมกลืนเข้าไปในท้องนั่นสิมันน่าขันท้องของตัวก็แห้งเปล่าไม่ได้อะไรทวงกระเพาะสัดนิดนี่ก็ได้แก่สัญญาต่างๆที่ไม่จริงไม่จังเราก็พากันกระเดากระเดา ไปเที่ยวเก็บมาคิดมานึกคิดไปนึกไปปรุงไปต่างๆนานาแล้วก็ไม่ได้ประโยชน์อะไรเลยนอกจากจะทําให้ฟุ้งซ่านวุ่นวายดวงจิตก็กระสับกระส่ายทุรนทุรายเดือดร้อนไม่เป็นอันจะนั่งจะนอนอยู่กับที่ก็วิ่งไปเต้นไปจนหนังก้นไม่มีเวลาที่จะได้อยู่ติดกับพื้นกระดานอย่างที่เขาว่าหนังก็ไม่ได้รองนั่งนั่นแหละ จะนอนก็นอนไม่ลงจะนั่งก็นั่งไม่ติดถึงตัวจะนั่งแต่ใจมันก็ไม่อยู่เนื้อก็ไม่ได้กินกระดูกก้างก็มาติดอยู่ที่คอจะกลืนก็กลืนไม่ได้จะคายก็คายไม่ออก 6. กที่ว่ากระดูกติดคอนั้นก็คืออารมณ์ต่างๆที่ไม่ดีนั่นแหละมันมาติดขวางบาดเก็บอยู่ในใจก้างหรือกระดูกเหล่านี้ก็คือพวกนิวณ์ทั้งห้าได้แก่ 1. กามฉันทะใจก็ลหลงไหลเพลิดเพลินไปในเรื่องที่ดีที่ชอบ 2. พยาปาทะเรื่องที่ไม่ดีก็เป็นก้างเป็นกระดูมาเสียบแทงดวงใจใจก็คล้องอยู่ในความไม่ดีคล้องอยู่ในความไม่ชอบกลายเป็นโกรธเกลียบปองร้ายบางทีก็ไปเก็บเอากระดูที่เขาทิ้งไว้นมนานกาเลจนมันจืดชืดไม่มีรส เหมือนอย่างกระดูกเป็ดกระดูกไก่หรือกระดูกหมูที่เขาเอาไปต้มทำซุปนั้นน้ำหวานของมันเขาก็รินไปกินจนเกลี้ยงเนื้อก็เปื่อยจนหลุดออกไปหมดเหลือแต่กระดูกแข็งโกงโก้ที่เขาจะโยนให้สุนัข ก, กินได้แก่พวกสัญญาเก่าๆที่ล่วงเลยมานานตั้งยี่สิบปีสาสิปีแล้วนั่นแหละเราก็ยังอุตส่าห์ไปเก็บมาแทะดูเถิดดวงใจมันยากจนถึงขนาดนี้ จนถึงกับต้องไปเก็บเอากระดูก่ามาเลมกินนี่มันก็น่าทุเรศสถทีน่าบิดทะเมื่อใจได้เสพแต่อาหารที่มีพิษมีโทษไม่เกิดประโยชน์แก่ร่างกายเช่นนี้กำลังวังชามันก็น้อยลงจิตใจก็หดหู่ไม่เบิกบานมีแต่ง่วงเหงาซบเซาใครพูดจาว่ากไกรก็ไม่รู้เรื่องถามอะไรก็ไม่ได้ยินฟังอะไร ก็ไม่เข้าใจ4อุดทับจะ ก, กุกุจจะความพุ้งซ่านรําคาญใจหงุดหงิดก็เกิดขึ้นทำให้เคริบเคลิ้มหรงดื่มห้ 5. วิจิตรชา้าความลังเลสงสัยก็ตามมาบางทีเรื่องดีก็ตัดสินว่าไม่ดีเรื่องไมดดดง่ดีตัดสินว่าดีเรื่องผิดตัดสินว่าถูกเรื่องถูกตัดสินว่าผิดบางที สิ่งที่ตนทำไปถูกทำก็ไม่รู้บางทีผิดธรรมแต่ถูกใจตนก็ไม่ทราบกลืนไม่ได้ถ่ายไม่ออกคราวนี้ก็ลังเลไม่รู้ว่าจะไปทางใดก็คิดวนไปเวียนมาเหมือนกับคนที่พายเรือในอ่างหรือทะเลสาบพายไปพายไปตั้งหลายชั่วโมงก็คิดว่าตัวเองคงจะพายไปถึงไหนไหนแล้วที่แท้ก็วนอยู่ในเกาะกลางทะเลสาบนั่นเอง อย่างนี้แหละจึงเรียกว่าเบียดเบียนตัวฆ่าตัวทับถมตัวและลงโทษตัวเองเมื่อทำกับตัวเองได้ทำไมจะทำกับคนอื่นไม่ได้เหตุนี้จึงไม่ควรอิจฉาริษยาและพยาบาทซึ่งกันและกันเลยถ้านิวรณ์ทั้งห่านี้เกิดขึ้นในจิตใจของใครแล้วความทุกข์ยากมันก็จะไหลพังประดังเข้ามาเหมือนกับหาฝนคนนั้นก็จะไม่สามารถ คนทุกข์อยู่ได้นี่ก็เพราะอาวิชชาเป็นเหตุจึงไม่มีธรรมเป็นที่ตั้งถึงคนนั้นจะอยู่ตึกสูงตั้งเจ็ดชั้นเก้าชั้นกินอาหารจานละสี่สิบาทเขาก็หาความสุขไม่ได้เจ็ดคนที่ไม่มีธรรมะก็เหมือนกับคนที่ไม่มีบ้านอยู่ต้องไปนั่งตากแดดตากฝนและตากลมอยู่กลางแจ้งทั้งกลางวันกลางคืนมันจะไปหายร้อนหายหนาวได้อย่างไร จะหาที่หลบกำบังอะไรก็ไม่มีสักอย่างตัวเองก็ต้องนั่งขดนั่งคูหลังโกงหลังคอมพ่อลมพายุพัดมาทีก็วิ่งไปเที่ยวหาที่พึ่งจะหันเข้าไปต้นไม้ก็กลัวต้นไม้จะโค่นทับใส่ตัวครั้นวิ่งออกไปกลางทุ่งก็กลัวฟ้าจะผ่าเวลากลางวันแดดก็ร้อนจะนั่งอยู่นานๆนนก็ทนไม่ไหวเหมือนยายแก่ที่ไม่สวมรองเท้าไปเดินกลางถนนคอนกรีต หรือลาดยางเวลาแดดร้อนจัดๆ จ, จะเหยียบลงไปก็กลัวเท้าพองก็ยกขึ้นยกลงเต้นกระยองกระแหยงอยู่กับที่นั่นเองไม่รู้จะก้าวเท้าไปวางลงตรงไหนได้เหตุนี้แหละพระพุทธเจ้าจึงทรงสงสารท่านจึงสอนให้พวกเราพากันหาที่กันแดดกันฝนของตัวเองไว้คือบำเพ็ญกุศลให้มีสมาธิเป็นหลักของใจและมีวิหารธรรมเกิดขึ้นในตน จะได้ไม่ต้องเดือดร้อนกระวนกระวายทั้งคนอื่นจะพลอยเป็นสุขไปด้วยเรียกว่าเป็นผู้ที่มีที่พึ่ง8คนที่ไม่มีที่พึ่งนั้นย่อมนขนไคยแต่สิ่งที่ไม่มีสาระคือไม่มีสิ่งป้องกันทุกภัยอันจะเกิดขึ้นในคราวจําเป็นคนที่ไม่มีปัญญาไม่แสวงหาที่พึ่งย่อมลําบากจึงจะยกข้ออุปมาม า, มาเทียบเคียงให้แลเห็นใกล้ๆว่า มีลิงฝูงหนึ่งต่างตัวต่างก็ไปหากินในราวป่าสูงและอุ้มลูกกอดหลานของตนไปด้วยอยู่มาวันหนึ่งเกิดลมพายุใหญ่พัดมาอย่างแรงพอลิงเหล่านั้นได้ฟังเสียงลมก็พากันหักกิ่งไม้มาทำรังหันมาพอกพอกไว้ที่กิ่งไม้ใหญ่แล้วก็ลงมาส่องมองดูข้างล่างถ้าเห็นที่ไหนโปร่งทะลุก็ไปหากิ่งไม้มาพอกไวอีกจนหนาทึบ เมื่อลมและฝนมาถึงเข้าก็พากันขึ้นไปนั่งอยู่บนรังตากแดดตากลมอาฝากหอทั้งหนาวทั้งสั่การกระทำของตนนั้นหาเป็นที่พึ่งของตนได้ไม่เพราะอาศัยความโง่เขลาในที่สุดรังของตนที่นั่งทับอยู่ก็ถูกพายุใหญ่หอบพัดไปหมดตนเองต้องห้อยโหนโยนตัวไปตามลมตามแล้งลูกทั้งสองอันเป็นที่รักเกาะอยู่ข้างหน้า ห้อยอยู่ข้างหลังก็หลุดร่วงพรัดพรากจากอกแห่งตนแล้วต่างตัวก็ต่างไปได้รับความทุกข์เดือดร้อนตามๆกันนี้ฉันใดบุคคลซึ่งไม่แสวงหาคุณธรรมเป็นที่พึ่งไว้แล้วก็เสมือนดังลิงเหล่านั้นเองอุตส่าห์พยายามสะสมทรัพย์สินเงินทองบ้านช่องตึกกรามและบริษัทบริวารไว้ว่าจะเป็นที่พึ่งอุ่นใจของตน เมื่อถึงค่าวสำคัญเกิดขึ้นแก่ชีวิตก็ไม่เห็นว่าเป็นที่พึ่งสาระจริงได้อย่างใดเมื่อค่าวที่ทุกข์ภัยมาถึงตัวฉะนั้นพระพุทธองค์จึงทรงเมตตาแก่ฝูงชนทั้งหลายในโลกที่หลงอยู่ได้อุตสาพยายามแนะนำพร่ำสอนเพื่อให้สแสวงหาคุณธรรมอันเป็นสาระแก่ตนต่อไปเกาคนใดมีธรรมเป็นที่พึ่ง ชื่อว่าเป็นผู้มีเมตตาแก่ตนเองและเมตตาคนอื่นด้วยเปรียบเหมือนเรามีบ้านของเราอยู่แล้วเราก็ยังสร้างกระท่อมให้คนอื่นเขาอยู่อีกเช่นเห็นกระท่อมของเขามันจะพังเราก็ไปหาจากหรือใบไม้มาช่วยมุงช่วยแสบให้เพื่อกันแดดกนันฝนหาฝามากั้นทางซ้ายทางขวาทางหน้าทางหลังเพื่อกันไม่ให้ถูกพายุ ยกพื้นให้สูงเหนือน้ํกากันน้ําท่วมเหล่านี้ก็ได้แก่การที่เราช่วยแนะนําสั่งสอนเพื่อให้เขาหลุดพ้นจากกิเลสบอกวิธีให้เขาทําตามอย่างที่เราได้เคยทํามาแล้วบ้างนั้นเราบอกให้เขาทําสมาธิก็เท่ากับหาหลังคามาคลุมบ้านให้เขาเขาก็จะพ้นจากแดดจากฝนและมดแดงกัดหัวฝาด้านหน้าด้านหลังสองข้างก็ได้แก่สัญญาอาดีตอนาคต เราก็ให้เขาปิดเสียฝาด้านซ้ายด้านขวาก็ได้แก่อารมณ์ที่ชอบไม่ชอบเราก็ให้เขาปิดเสียพื้นที่ยกขึ้นให้สูงก็เท่ากับใจที่ให้เขาตั้งมั่นเป็นสมาธิทำจิตวางเฉยอยู่ในองค์ภาวนาเมื่อใครมีบ้านที่หลังคาสูงพื้นก็หนาฝาก็แน่นแล้วถึงคนนั้นจะไม่มีสมบัติอะไรภายนอกปิดตัวเลยมีแต่ ผ้าขี้ริ้วผืนเดียวคนนั้นก็สบายกายก็เป็นสุขใจก็สงบเย็นถ้าบ้านมันจมอยู่ในโคลนในตมแล้วจะไปได้สมบัติอะไรก็จะต้องเล่นอยู่กับพวกปูพวกหอยกิ้งกือไส้เดือนเหล่านี้แหละฟ้ามันก็โปร่งโล่งมองแล่จากซ้ายทะลุไปถึงขวาแล่จากขวาก็มองมาทะลุข้างซ้ายคนเดินอยู่ไกลตั้งสี่ถึงห้ายนก็มองมา เห็นไส้เห็นพุงหมดโจรผู้ร้ายมันก็จะพากันขึ้นมาปล้นพวกโจรผู้ร้ายนี้ก็ได้แก่อารมณ์ที่ชั่วต่างๆมันก็จะไหลเข้ามาย่ำยีดวงใจหลังคามันก็ทะลุโปร่งแหงนหน้าขึ้นไปมองเห็นดาวมีแต่ขี้ผงขี้มอดและขี้ปลวกจะร่วงหล่นลงมาใส่หูใส่ตาทั้งนกกามันก็จะบินมาขี้ใส่หัวอีกทีนี้ตัวเอง ก็ต้องลงนั่งเกาศีรษะดิกยิกเพราะความทุกข์เพระตนเองไม่มีที่อาศัยเมื่อเป็นดังนี้ก็ควรที่จะมีความสงสารสังเวชตัวเองทําความดีให้เกิดขึ้นมันจเจริญสมาธิภาวนาจนจิตแก่ขึ้นแก่ขึ้นเป็นลําดับผู้นั้นจะเกิดปัญญาเป็นแสงสว่างคือวิชาสามารถขับไล่อวิชาออกไปเสียได้เมื่อไม่มีอวิชาแล้ว ก็จะหมดจากตัณหาอุปาทานได้เข้าสู่พระนิพพานเป็นที่สุดส0เหตุนั้นพวกเราทั้งหลายก็จงพากันมันจเจริญสมาธิตั้งหน้าบำเพ็ญแต่ความดีอย่าท้อถอยสิ่งใดที่เป็นความดีแล้วก็ให้โจงกระเบนเน็บหลังมือถือจอบข้างหนึ่งเสียมข้างหนึ่งหันหน้ากระโจนใส่ขนาบมันเข้าไปเลยบุกเข้าไปจนหัวกุดชนกาแพงตายคาที่ก็ช่างมัน ถ้าเรามีความกล้าหาญภาคเพียรโดยถูกต้องอย่างนี้กิจของเราก็จะต้องสำเร็จสมประสงค์เป็นแน่แต่ถ้าเป็นความชั่วแล้วมันจะเข้ามาขออาศัยนอนในบ้านคือใจของเราสักคืนหนึ่งก็จงรีบขับไล่ให้ออกไปในทันทีอย่าให้มันมานอนค้างอยู่ได้เลยแม้แต่คืนเดียว 11. ในการสร้างความดีคือเจริญสมาธินี้เราจะต้องมีอิธิบาทสี่ เป็นเครื่องมือเหมือนล้อพาหานะที่จะนำเราก้าวไปสู่จุดหมายได้โดยสะดวกฉะนั้นล้อทั้งสี่นี้ก็คือหนึ่งันทะเราต้องรักงานของตนให้ยิ่งกว่าชีวิตเมตตาตัวเราเองให้มากกว่าใครๆคือสิ่งใดที่เป็นความชั่วซึ่งจะมาเบียดเบียนตัวเราแล้วจงอย่าได้ทำเลยเป็นอันขาดสิ่งใดที่เป็นคุณงามความดีให้มีใจรักใครดี และพอใจในสิ่งนั้นๆ 2. วิริยะความบากบัน่นให้เรามีความภาคเปลี่ยนกล้าหาญทั้งกลางวันกลางคืนทำจิตของตนให้พองแผ้วและมีสติสัมปชัญญะตื่นอยู่เสมอที่เรียกว่าชากริยานุโยค 3. จิตตะใจตั้งมั่นเพ่งเล็งจดจ้องมองไปในจุดที่ถูกที่ดีบุกรุกไปข้างหน้าเรื่อยไปให้ก้าวหน้า ทำสัมมาปฏิบัติให้เต็มที่จดจอ่ออยู่ในสิ่งนั้นสิ่งเดียวอย่าจับปลาสองมือคนจับปลาสองมือนั้นเป็นลักษณะของคนโลภมากลาบหายอยากกินหลายก็เลยได้กินน้อยคนผู้อยากกินเท่าปลายนิ้วก้อยกลับได้กินเท่าหัวแม่มือคนที่จับปลาสองมือคือมือซ้ายก็กำไว้ตัวหนึ่งมือขวาก็กำไว้อีกตัวหนึ่งพอไปพบปลาตัวอื่นๆเข้าหลายๆตัว ก็เลยไม่มีมือที่จะไปจับได้อีกกลับไปถึงบ้านก็จะได้แต่ปลาไปเพียงสองตัวเท่านั้นนี่ก็เพราะตัวเองเป็นคนโลภเกินไปใครว่าดีก็ไปตามเขาจับเอาความดีใครว่าชั่วก็ไปตามเขาจับเอาความชั่วหัวใจไม่เที่ยงตรงทำอะไรโลเลย่อมขาดจากทำข้อนี้ของดีซึ่งตนควรจะได้อีกมากมายดีกว่านั้นก็เลยไม่ได้ไปเลย สีวิมังสาต้องตรวจตรองใคร้ควรดูในเหตุผลที่ตนกระทํานั้นด้วยถ้าสิ่งใดที่เราทําไปนั้นเหตุมันเป็นทุกข์แต่ผลมันดีก็จงทําไปถ้าเหตุมันดีซึ่งเป็นที่ชอบใจของตนแต่ผิดธรรมย่อมให้ผลเป็นทุกข์ก็ผิดจงอย่าทําเป็นอันขาดสิสองความสําเร็จทั้งหลายทุกอย่างในทางโลกและทางธรรม ต้องมีอิทธิบาทธรรมสประการนี้ประจำใจจึงย่อมจากอำนวยผลให้บุคคลนั้นเป็นไปได้สองอย่างคือหนึ่งิตทิริศอำนาจเกิดขึ้นในทางจิตใจของตนเองความสำเร็จย่อมรู้ได้ในทางจิตของตนสามารถที่จะบังคับในเหตุการณ์ต่างๆอันไม่เป็นธรรมและกำจัดให้สิ้นสย์ไปได้โดยอำนาจแห่งจิตนี้อย่างหนึ่งสองบุ ญ, ญริ์ ความดีซึ่งได้บังเกิดขึ้นแล้วในตนผลความดีนั่นแหลย่อมอำหนวยให้สะดวกสบายและสำเร็จในกิจธุระหน้าที่โดยง่ายได้ 13. คนที่ชอบไปเก็บเอาสัญญาอารมณ์ต่างๆมายึดถือไว้นั้นย่อมไม่ผิดอะไรกับนักโทษที่ถูกเขาพันธนาการยึดในสัญญาอาดีต ก, ก็เท่ากับเอาเชือกปูกบ้านเอวของตนติดไว้กับเสาข้างหลัง ยึดในสัญญาอนาคตก็เท่ากับเอาเชือกผูกคอไว้กับประตูข้างหน้ายึดสัญญาความชอบก็เท่ากับเอาเชือกผูกข้อมือไว้กับเสาด้านขวายึดสัญญาความไม่ชอบก็เท่ากับเอาเชือกผูกข้อมือไว้กับฝาด้านซ้ายตัวเองจะก้าวไปข้างหน้าก็ถูกเชือกเหนี่ยวไว้ที่เอวข้างหลังจะถอยมาข้างหลังก็ติดเชือกที่คอเหนี่ยวไว้ข้างหน้าจะหลีกมาทางซ้าย ก็ถูกเชือกเหนี่ยวไว้ที่ข้อมือข้างขวาจะหลบไปทางขวาก็ถูกเชือกเหนี่ยวไว้ที่ข้อมือข้างซ้ายก็ชักขยืกันไปมายันหน้ายันหลังอยู่อย่างนี้แล้วผู้นั้นจะก้าวไปทางไหนได้ส่วนผู้ที่ปลดปล่อยสัญญาทั้งหลายออกเสียได้ก็เท่ากับคนที่เป็นอิสระยืนตัวตรงแน่วแบบทหารหรือนักรบมือซ้ายก็กำศาตรามือขวาก็กำอาวุธข้าสึก จะเข้ามาประชิดทางด้านไหนก็ไม่ต้องกลัวศัตรูมองเห็นก็ไม่กล้าเข้าใกล้ผู้นั้นจะต้องเป็นผู้ชนะวันยังค่ําถ้าหากเราเป็นผู้ที่มีเชือกรุงรังผูกมัดอยู่รอบตัวแล้วใครมองเห็นเข้าก็ไม่กลัวเพราะไม่มีท่าอะไรที่จะไปสู้รบกับเขาได้เลยข้าศึกมาก็ได้แต่กระโดดโยงโยงเยงเยงอยู่ที่เดียวนี่แหละจึงให้พากันสำเนียกตัวของเราเอง และพยายามปลดปล่อยสัญญาอารมณ์ภายนอกทั้งหลายเสียอย่าให้มาติดข้องอยู่ในดวงใจสมาธิของเราก็จะเป็นผลดีดวงจิตก้าวขึ้นสู่กระแสธรรมถึงโลกุตระเราก็จะมีชัยชนะในวันหนึ่ง